วันนี้เป็นการประชุมกรณีพิเศษในระหว่างช่วงระหว่างวันพระนานทีจะได้มีการประชุมอย่างนี้ครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ก็ยังไม่แน่เดี๋ยวผมดูเหตุการณ์ก่อนถ้าช่วงไหนพอว่างๆพอที่จะประชุมได้ผมก็จะ นิมนต์หรือบอกกล่าวนิมนต์หมู่มาประชุมเพราะการประชุมกันจะได้ทำทำความเข้าใจในเรื่องที่พวกเราจะได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเพราะพวกเรามาอยู่ด้วยกันต่างวิชาอาชีพต่างตระกูลแล้วก็มาอยู่ด้วยกันบางทีเราเขินห่างกันเกินไป ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าาว่พวกเราได้ไประชุมกันหาหรือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเป็นหัวหน้าผมก็จะต้องได้ให้แนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาให้แก่หมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาศึกษาก็เห็นว่าวัดของผมนี่ก็คือผมเป็นหลักเป็นหัวหน้า คิดว่าจะเป็นที่จะให้ความรู้แนวความคิดหรือหลักที่จะต้องได้ศึกษาอจึงได้เข้ามาบวชที่วัดของผมผมก็มั่นใจว่าก่อนที่พวกท่านจะเข้ามาก็คงจะไม่คิดเข้ามาแบบง่ายๆก็คงจะคิดรอบคอบพอสมควรจึงได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้ว ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของของวัดผมจะต้องไม่ได้คิดอีงเหมือนกันว่าจะให้ความรู้จะแนะนำให้พวกท่านทั้งหลายได้รับรู้เรื่องของพุทธศาสนาหรือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามาจะให้ความรู้ความฉลาดแก่พวกท่านทั้งหลายได้อย่างไรผมก็จะต้องถ่ายทอดที่ผมได้ศึกษามา จากครูบาอาจารย์ในเรื่องต่างๆที่ประสบการณ์มาเกรด็ดเล็กเกล็ดน้อยจนตลอดถึงพระวินัยที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องรู้จะต้องรับรู้จะต้องรู้จะต้องเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบเรื่องพระวินัยที่เป็นหลักๆแต่จะให้พวกท่านทั้งหลายเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองทั้งหมดทุกอย่างผมว่าก็คงจะใช้เวลา พอสมควรบางทีเพอๆอาจจะผิดพลาดผิดผิดถูกๆเพอๆอาจจะผิดพลาดไปเพอๆอาจจะถลําไปเพราะว่าไม่ได้รับการแนะนำไม่ได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านที่ท่านมีประสบการณ์มาก่อนพวกเราสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้คิดเพราะว่าถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายถึงจะเรียนรู้ มาทางคราวาตแต่เขาพอเข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาได้เข้ามาบวชเป็นพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่าน ท, นทั้งหลายอยู่บางสิ่งบางอย่างพวกท่านก็คงจะงงเหมือนกันเอะจะทํำยังไงฮเยพราะพวกท่านทั้งหลายได้เรียนรู้แบบผิวเผินอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักอีกบางอย่างไม่ใช่ว่าจะรู้ได้หมดทุกอย่างนี่แหละอันนี้ก็คือผม ได้คิดได้พิจารณาเหมือนกันว่าอันดับแรกนพวกท่านทั้งหลายเข้ามาปวด เ, ปเพียงสิบกว่าวันก็ควรจะให้แนวความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะควรจะปรับตัวอย่างไรแต่ผมก็เห็นใจในหมู่ในคณะเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่า พวกเราท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสญาติโยมก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่พอเข้ามาอยู่สู่วัดวาศาสนาถึงจะพวกเราจะเรียนรู้พอประมาณเมื่อเป็นฆราวาสพวกเราได้เรียนรู้แต่ได้สัมผัสได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาได้มารักษาศีลไดมาปฏิบัติธรรมเป็นบางครั้งแต่พวกเราก็ได้เรียนรู้ในในระดับหนึ่งแต่พอเข้ามาสู่จริงจัง พวกท่านก็คงจะบางเรื่องบางราวก็คงจะคิดไม่ถึงเหมือนกันเออทําไมออหนักขนาดนี้เจ๋อเหรอไว้เหรออย่างนี้เป็นตน้น เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าหลักของพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราอยู่แบบผิวเผินก็อีกในลักษณะหนึ่งแต่พอเข้ามาจริงจังแล้วจะต้องเข้าสู่มาหลักหลักพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของกลาง เพราะนั้นทุกคนที่เขามาอยู่ตลอดถึงผมและพระทุกองค์เลียงลำดับลงไปเอาวุโสลงไปจนถึงองค์สุดท้ายผมก็จะต้องชี้ว่านี่นะหลักพระธรรมวินัยเนี่ยผมผมเองก็จะต้องปฏิบัติตามนี้นะองค์ที่สองที่สามที่สี่คนนี่แหละหลักพระธรรมวินัยทุกองคต้องปฏิบัติตามนี้นะจนตลอดถึงองค์สุดท้ายก็ต้องนี่แหละคือหลักพระธรรมวินัย ทุกองจะต้องไปฏิบัติตามนี้เพราะหลักพระธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของสพานไม่ใช่ของหัวหน้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าวาดและหลักพระธรรมวินัยจะอยู่ในกรอบองค์นั้นไม่ใช่ที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องเดินจะต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แล้วนี่อันนี้ในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในจุดนี้พวก ท่านพวกเราท่านทั้งหลายทังการเป็นอยู่ด้วยทัางประสบการณ์ของเรายัง อ, อ่อนหัดแต่เป็นคราวาตเราไม่คาดไปจิตว่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยแต่พอมาเจอของจริงเข้าทีไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรตลอดถึงการอยู่การฉันตลอดถึงการเป็นอยู่ตลอดถึงการคบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนตลอดถึ้งการเป็นอยู่สิ่งรอบด้านสิ่งรอบสิ่งแวดล้อมของเรา ตอดโน้นหนทางการพักผ่อนพักผาใส่บางทีเราอาจจะทําใจได้ยากถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ปองไม่วางไม่ปล่อยวางพอสมควรแต่ถ้าว่าเรามั่นใจแต่สมัยก่อนถึงยังไงเราจะบวชเพียงสามเดือนเราจะต้องเรียนรู้ อ, อมูเพื่อนอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ครูบาอาจารย์อยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ เราหมู่เพื่อนหรือคือกลุ่มกับครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นมีจะแปลกแตกต่างกันอะไรเพราะฉะนั้นหมู่ครูบาอาจารย์อยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เราก็ต้องปฏิบัติได้ตามที่แนวแถวครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนพาอยู่หรือขาดตกขาดหรืออะไรมีความจําเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรอก็มีกฎระเบียบรองรับอยู่แล้วถ้าเราสู้อย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหา ชาเราใจของเราถอยแต่ทีแรกแล้วนะ่ะอันนั้นจะหนักใจแหมหนักใจเพราะเหตุใดเพราะว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พอมาเจอข้องจริงมาโอ้ฮะหนักฮะตัวนี้แหละผมกลัวแหมกลัวกลัวหมู่พวกเพื่อนเพราะนั้นถ้าวัดอย่างผมเป็นหัวหน้าทีเนี่ยผมต้องได้คิดไว้ก่อนว่าจะทําพิธีอย่างไร ที่จะทำความเข้าใจกับหมู่พวกเพื่อนทุกระดับให้มีความคิดแนวแถวเดียวกันสรุปแล้วก็คือให้สู้ อ, อย่าไปหล่ะแหละอย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกอย่าไปขี้เซาะเพราะเพศนักบวชพระพุทธเจ้าพระหารสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มัน ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆท่านศึกษามาอย่างไรเราต้องฟังเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้อย่างพระพุทธเจ้าผมเคยเคยยกแล้วยกอีกพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเป็นกษัตริย์ความเป็นอยู่ของท่านเหนือกว่าเราใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการเป็นอยู่เราจะไปเปรียบเทีย บ, ยบกับกษัตริย์ได้อย่างไร แล้วลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าล่ะเศรษฐีพราหมณ์ในยุคสมัยนั้นตามประวัติก็มากมายจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้คนท่านที่มีฐานะการศึกษาดีแต่ท่านตั้งอกตั้งใจออกมาประพฤติปฏิบัติซึ่งเหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างของพวกเราอีกเหมือนกันเราอย่าไปคิดคนที่ด้อยกว่าต่ํากว่ามาเป็นตัวอย่างของเรา คนที่ไม่สู้เราจะเอาคนประเภทที่ไม่สู้ประเภทที่เลาะแหละประเภทที <Okay. S 1> ่กลัวความทุกข์ประเภทโงโ ง, งๆปุ่ง่ายๆเราจะมาเป็นตัวอย่างเราอย่างนั้นเหรอเราต้องพิจารณาดูให้เหนือกว่าคนที่เฉลียวฉลาดกว่าที่มีปัญญากว่ารอบรู้กว่าต้องสู้นักสู้ที่เหนือกว่า เ, เราควรจะยึดแนวแถวนั้นมาเป็นตัวอย่างของเรา ไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดคนที่ด้อยอ่อนแอขี้กลัวผีกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวกกลับมากลัวเราจะไปเอาตัวอย่างนั้นมาเป็นตัวอย่างเราเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรเราจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไรเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปายภายภาคหน้าได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกทุกองที่เขามาบวช ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบวชในวัดของผมการเป็นอยู่ทุกอย่างก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นประสบการณ์มาหลายวันแต่พวกท่านทั้งหลายก็คงจะที่ว่าโอ้ลําบะแต่ตามไม่จริงในความรู้สึกของผมแล้วผมว่าวัดของเราเนี่ยสะดวกสบายเครื่องอํานวยความสะดวกของวัดเราเนี่ยมากมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องน้ําเราเปิดที่ไหนเราก็ใช้น้ําสะอาดอีกสมัยผมอยู่ภูจก้อนต้องหามน้ําขึ้นเขาทั้งหน้าแรงหน้าฝนทั้งรื่นก็รื่นอีกต่างหากลําบากกว่านี้เยอะละหารการบริโภคน้ําตรงน้ําตาลเพศรจัดต่างๆไม่ต้องพูดถึงแต่ที่วัดของเราผมก็ให้พวกท่านทั้งหลาย บอกมาว่าสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกถึงผมจะไม่ได้ไปฉันกับหมู่พวกเพื่อนแต่ผมก็ฟังความเหมาะสมอย่างไรในวัดตลอดถึงเพสัต์ต่างๆหยุกยาเครื่องอำนว ย, นวยความสะดวกผมเคยคิดว่าอยากจะไปในทางที่ฟุ่มเฟอืฟเฟอย เหลือเฟือจะมากกว่าสำหรับพระกรรมฐานที่ผมผ่านผ่านมาอะอันนี้ในความรู้สึกของผมเพราะผมเคยมาศึกษามาหรืออยู่มาแบบแบบกันดานอ่ะแต่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่แบบเคยมาอยู่เคยฝุ่งเฟือยมาแล้วแล้วก็มาอยู่อะแบบที่เขาว่า่ใช่พวกผมเนี่ยเป็นลกูกชาวนา แต่ว่าเมื่อมาแล้วผมทำมาค้าขายแล้วผมขึ้นในในระดับเฉติผมลูกของผมไม่ใช่ลูกชาวนาแต่ใช่พ่อนะเป็นลูกชาวนาแต่ผมนะเป็นลูกระดับเษฐิจะให้ผมทำเหมือนลูกชาวนาได้อย่างไรไอั น, นี่เขาเขาเคยพูดนะ <c oughs> เขายกตัวอย่างอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันว่าเรื่องปัจจัยสีเราก็ต้องยืดหยุดยืดหยุ่นกับผู้ที่เขามาเกี่ยวข้อง เราจะกันดานเราจะให้หมู่พกเพื่อนกันดานอย่างที่เราเคยทํามาปฏิบัติมา ก, ก่อนเก่าคงจะไม่ถูกต้องเราก็ต้องยืดหยุ่นแต่ถึงยังไงถึงจะยุดยืดหยุ่นอย่างไรเราก็ไม่ให้ฟุ้ง เ, เฟ้อฟุ่มเฟือยจนเหยียบหลักพระธรรมวินยัยเหยียบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหเห็นแก่ปากหเห็นแก่ท้องหเห็นแก่โรคโมโรคหัวโง่ก็ไดอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน ที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องพยายามชี้นำบอกกล่าวขนาดนี้น่าจะเพียงพอในวัดของเราแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะให้ฟุ่งเฟือยเหลือเฟือลึดนอกเหนือจากนี้พวกท่านก็ต้องออกจากวัดของเราไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าอยู่วัดของเราต้องอยู่ในกฎระเบียบนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่นี้ยังเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า ถ้ามันเหลือเฟือหรือมนันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมันก็ต้องใช้กฎอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ขอให้หมูพวกเพื่อนตั้งใจภาวนาเราพวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าหลักหรือว่าจุดใหญ่จุดประสงค์ของพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้เพื่ออะไรพวกเราต้องมีจุดมุ่งหมาย เราไม่ใช่บว์มาเพื่อเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นมาพักผ่อนมานอนมาพูดมาคุยเพื่อจะจะคบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นเรามาเพื่อการศึกษามาเพื่อปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานินกระทัมนาผู้ประพฤติปฏิบัติพ้นทุกในวัสงสาร ถึงพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดแน่นอนถ้าหากผู้ใดปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและนี่พวกเราได้เชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ถึงไม่เชื่อมั่นอย่างนั้นเกิดพวกเราก็ต้องได้ฟังเอาไว้ฟังเอาไว้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้สัมผัสซะก่อนเราจริงจะเชื่ออย่างนั้นอก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เราเชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงปู่เสาวหลวงปู่มันท่านปฏิบัติมาแล้วพอท่านมรณภาพลงไปเราก็เห็นอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นได้ศึกษาเรายังไม่เชื่ออยู่เหรอแต่ถ้าเราไม่เชื่อขนาดนั้นแล้วก็แสดงว่าใครจะมาสอนเราได้แสดงวทตถิธิมานะของเรานี่ท่วมท้น จนกว่าที่ปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจะแนะนำสั่งสอนเราได้อันนั้นก็ถ้าจะเป็นปทะปละมะหรือว่าเป็นบวชอยู่ติดกับเปลือกตมก็ไม่น่าจะผิดถ้าหาว่าวางตัวอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราวางตัวเราใช้ปัจจิใช้ปัญญาใช้ศรัทธาใช้ความเพีย มองตรวจตราด้วยเหตุและผลแล้วเราก็น่าจะมองเห็นได้ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรแล้วเราปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อเข้ามาพวกเราเข้ามาถึงจุดนี้อย่างนี้นี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาทบทวนดูการเป็นอยู่ทั้ง คูบาอาจารย์ทั้งหมู่พวกเพื่อนทั้งคณะสัตย า, าติยมทั้งวัดวาศาสนาทั้งความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระหานสาวกทั้งหลายทั้งมวลให้เราใช้พิจารณาไขควรทบทวนดูแต่ทีนี้เราจะวางตัวอย่างไรในเมื่อเขาเข้ามาจุดนี้อันนี้แหละอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนใช้แนวความคิด มองไกลมองรอบคอบมองให้กว้างขวางอันดับแรกก็พวกเรามาอยู่ด้วยกันศึกษาเรื่องพระวินยัยวินัยนี่ก็เป็นสิ่งจําจเป็นสําคัญอย่างมากศิลและวินยัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะนั้นเราจะไปมองข้ามเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินยัยการเป็นอยู่ ไม่ได้เราต้องศ mm ึกษาเรื uates, mm. ่องวิไตน์อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตต้องด้วยแมระอายหนึ่งต้องด้วยมตต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วคืนธรรมลงหนึ่งต้องด้วยสิ่งรู้ว่าสิ่งควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต ah ้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งไม่รู้ว่า uhh สิ่งควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยต้องร ต้องด้วยลืมสติหนึ่งลืมสติก็เป็นอบัตเหมือนกันนะแล้วสงสัยขืนทาลงหนึ่งอันนี้ให้ระวังถ้าตรงไหนที่เราสงสัยแล้อย่าทำงดไว้ก่อนจนกว่าเราจะเรียนรู้เราจะศึกษาให้รู้ซะก่อนเราจรึงจะรับไม่ใช่ว่าสงสยัยแล้วก็ทําไปท่านยังปรับอบัตทุกข์ทั้งที่ตกทุดนั้นไม่ผิดนะแต่เราสงสยัยซะก่อนแล้วค่อยเราก็ทาลงไป อันนี้ ป, าปราบบิทุกกฎอีกเหมือนกันสงสัยแล้วขืนทาลงหนึ่งเพราะนั้นเรื่องพระวินยัยถ้าจะว่าไปแล้วคือกฎระเบียบถ้าจะว่าละเอียดอ่อนก็ใช่หรือว่าเป็นกฎระเบียบสำหรับให้หมู่พวกเพื่อนอยู่แต่เรื่องพระวินยัยถ้าจะเปรียบเทียบกับกฎหมายถ้าจะว่าไปแล้วก็ยอกย้อนพอสงวนแต่ถึงยังไงถ้าเราแยกแยะให้ดูเจตนาหรือ เกี่ยวกับบุคคลแล้วพวกเราจะพอจะแยกออกอบุคคลแล้วก็เจตนาแล้วก็บัญญัติขึ้นมา เ, นเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระสงค์เหล่านั้นทําไปเพื่ออะไร อ, ะอย่างพระวินัยเนี่ยเปิกสุถ้า ภิกษุรับเงินและทองหรื อ, อยินดีดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิจจคียปายจิตติอันนี้ก็คือพระวินัยท่านบอกว่าภิกษุรับเงินและทองยินดีรับเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิจจคียาปาจิตติอันนี้ก็คือพระวินัยบอกชัดแต่มีพระวินัยขึ้นมาอีกจุดนึงว่า ถ้าใครๆนำทรัพ์มาเพื่อเป็นค่าจีวรศิขบทที่สิบในนิจเกียปาจิตีถ้าใครๆนำทรัพ์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าใครเป็นวญญายาปัจจกรข อ, ของท่านภิกษุนั้นต้องการจีวกรก็พึ่งแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่านี้เป็นวญญายาปัจจกรของภิกษุทั้งหลายและกะโยม เขาถวายปัจจัยเออท่านปัจจัยของผมเน่ะเงินของผมเนี่ยเอามอบให้คุณนะเท่ากับพระคุณท่านต้องการผ้าจีวรของใช้ของผ้าจีวรแล้วก็ให้จัดการถวายท่านด้วยอันนี้ผมฝากเอาไว้ให้ท่านเป็นภาระให้ผมด้วยอันนี้ก็คือโยมฝากให้โยมแต่บอกกับพระแต่พระ องที่เขาประวรณาเขาบอกไว้แล้วแล้วก็วันหนึ่งอีกวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าวันหนึ่งเขาต้องการจีวรไเพราะจีวรขาดก็เขาไปหาโยมคนนั้นที่เก็บเงินไว้เก็บปัจจัยไว้โยมอาตมาต้องการจีวรต้องการจีวรไปต้องการ ไปเอาปัจจัยที่โยงเขาถวายนะไปต้องการเปลี่ยนเป็นผ้าจีวร ม, มาให้ตาด้วยเป็นผ้ามาให้ตา마ด้วยอันนี้โยงคนนั้นเขาได้เงินไปแล้วเขาใช้เงิน เ, เขาใช้เงินของพระใช้เงินของเงินก้อนนั้นเขาก็ซื้อของไม่ได้อันนี้สมมุติว่าน่ะอะอันนี้คือพ่อวิ น, นัยมันมีแล้วว่างั้นเถอะมันมีแล้ว ซื้อของไม่ได้เพราะเขาใช้เงินแล้วแต่นี้พระองค์นี้ก็เอ๊ะทาไมเขาไม่ซื้อให้ไปพูดอีกครั้งที่สองเขาก็ไม่พูดไม่ซื้อให้ไปพูดอีกครั้งที่สามเขาก็ไม่ซื้อให้เพราะว่าเขาใช้เงินก่อนนั้นหมดแล้วพรอพูดให้เจ้าท่านบอกว่าบร น, นยวะว่าถ้าหาว่าองค์นั้นอะไปพูดเป็นครั้งที่สี่ได้ผ้าจีวรมาปรับโทษปรับโทษแก่พระ ต้องนิติคียาปาจิตติถ้าได้จีวอนถ้าไปทวงถึงสี่ครั้งเ อ, อได้จีวรมาถ้าไปทวงสามครั้งได้จีวอนมายังอยู่ในกรอกไม่ผิดวินไนถ้าไปทวงถึงครั้งที่สี่เป็นโทษได้มาตรองนิติคียาปายจิติถ้าไม่ได้จีวรอนที่เขาถวายไม่ได้จีวรนมาไปทวงถึงสามครั้งแล้วไม่ได้จีวรน ไปยืนต่อหน้าเขาหกครั้งเห็นไว่าไปยืนต่อหน้าเขาแต่ไม่พูดนะไม่ให้พูดไปยืนต่อหน้าบอกว่าแสดงว่าคุณอาตมาต้องการจีวรนะไปยืนต่อหน้าเขาได้ถึงหกครั้งถ้าไปยืนครั้งที่เจ็ดได้มาต้องนิจกียะปายจิตติเพราะเกินกำหนด ใอ้เขาว่าทําให้เขาลาคาญเมื่อเขาไม่ได้ไปยืนให้เขาต่อหน้าเขาเพียงหกครั้งก็น่าจะเพียงพอถ้าว่าไม่ได้จีบอไปทวงสามครั้งไปยืนต่อหน้าเขาหกครั้งถ้าไม่ได้จีวรมาอาแล้วก็หยุดไม่ให้ทวงครั้งที่สี่และไม่ให้ไปยืนต่อหน้าเขาเป็นครั้งที่เจ็ดให้ไปยืนได้ครั้งเพียงหกครั้ง ถ้าไม่ได้จีวรมาแล้วจะทํำยังไงเดเนี่พราะพระพุทธเจ้ า, าท่านไม่ให้มองไม่ให้เฉยเมยนะท่านบอกให้ไปบอกเจ้าของเดิมเขาอีกที่เขาถวายปัจจัยมานั่นให้ไปบอกว่าโยมที่โยมถวายปัจจัยอาตมาฝากไว้กับคนวัดกับพยายามว จ, จิกรกับคนวัดนะ่ะนว่าจะให้ซื้อผ้าจีวรเปลี่ยนเป็นผ้าจีวรมาให้อาตมานั้นอาตมาไปทวงเขาแล้ว แล้วก็ไปยืนไปยืนต่อหน้าเขาทวงตามพ่อวินัยแล้วไม่ได้มาแล้วให้โยมไปทวงคืนชนะเนงินของโยมให้ไปทวงคืนซะอันนี้คือสามีจิกรรมคือปฏิบัติชอบในเรื่องเงินของเขาสรุปแล้วก็คือท่านไม่ให้เฉยเมยไม่ใช่ไม่ได้มาแล้วก็เฉยเพราะว่าเขาไปใช้เลยเอาเขาไปใช้ อันนี้คือพอวินัย น, นะพวินัยก็คือกฎรละเบียดถ้าว่าไปทวงสามครั้งไปยืนต่อหน้าเขาหกครั้งถ้าไม่ได้กีวรให้ไปบอกเจ้าของเดิมเขาว่าเงินนั้นไม่สําเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาทวงเอาเงินของเขาคืนมาเสียอันนี้คือ ป, ปฏิบัติชอบแต่ถ้าว่าไม่ไปบอกเจ้าของเดิมเขาปรับอบัตทุกกฎ เพราะปกพร่องทําให้เงินเขาเสียหายนี่แหละคือเพื่อพระวินัยของพระพอทุทธเจ้าท่านละเอียดถึงขนาดนะอันนี้ก็คือยกประเด็นให้ฟังตอนที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เก็บเงินและทองแต่ชิกา บ, บทนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงว่าถ้าใครๆนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวบอะนี่แหละจรุปแล้วก็คือเจตนาดูเจตนาเป็นหลัก นี่คือพระวินยัยและสิกขาบทอื่นๆ227สิกขาบทนั้นก็พวกเราให้ศึกษาดูมีเหตุซะก่อนยังค่อยมีผลมีเหตุก็คือมีเรื่องราวซะก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินยัยนี่แหละอันนี้ก็คือศีลและวินัยที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าองค์ใดเขาตามไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่มีไม่รักษาหลักพระธรรมวินัยไม่มีฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตตะปะคือความกลัวต่อบาะไม่มีล่วงละเมิดในพระวินัยท่านบอกว่าพระอนันต์รียว่าพระอรชิตาพระอรชีพระที่ไม่มีไม่มีอย่างอายพระไม่มีความละอายในศีลและวินัย ถ้าว่ามีพระอย่างนั้นมากๆขึ้นมาศาสนาของพระพุทธเจ้าทําให้เสื่อมเสียเสียหายมากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาเพื่อทําลายหรือเข้ามาเชิดชูพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราทํามาเพื่อเข้ามาเพื่อทําลายเราก็ต้องร่วงละเมิดวินยัยเป็นพอภารัตชีแต่ถ้าว่าเราเข้ามาเพื่อส่งเสริมทำคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับการฉันเถอะภารการฉันอันนี้คือพระวินยัยชีวิตประจำวันของพวกเราในกาลิกกาลิ ก, ก, ล ก, ก, ลกสีกก่ยาวะกาลิกยามะกาลิกสัตหกาลิกยาวะชีวิตแล้วกกาลิกละคนกัน อันนี้ให้พวกเราศึกษานะยาวะกาลิกยามกาลิกยาวะกาลิกคือฉันอย่างเพศประเภทอาหารฉันได้ตั้งแต่เช้าส่วเที่ยงอันนี้หรยาวะกาลิกยามกาลิกคือฉันได้ตั้งแต่ชั่วบ่ายน้ําอัฐบาลฉันอดได้ทั่วบ่ายจนถึงอารมณ์ขึ้นตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงอารมณ์ขึ้นวันพุ่งนี้ ถ้าเก็บไว้ชั้นต่อไปไม่ได้เป็นอบัตเิเพราะว่าเก็บน้ําปานะไว้มันจะเป็นเมลยัยมันจะเป็นเบียมันจะเป็นของมึนเม า, เาท่านไม่ให้ฉัน้นให้ฉันได้แต่แต่เช้าตั้งแต่บ่ายจนถึงอารุณ์ขึ้นอันนี้ว่ายามะกาเล็กสัตถะากาเล็กรับประเคแล้วฉันได้เจ็วันเพศสัตว์ทั้งห้าคือเนอยใสเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ำอ้อย อันนี้ชุดแท็กเราจะสงเคราะห์อย่างไรอันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดอเหมือนกันเพราะบางสิ่งบางอย่างมหาประเทศสี่เนี่ยพวกเรามันสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังเนี่ยพวกเราแยกไม่ออกเหมือนกันอันไหนบ้างควรอันไหนบ้างไม่ควรอันนี้ก็เราต้องปรึกษากันในพระวิไหนอันไหนจะสงเคราะห์เข้าตุกจุดไหนได้อันนี้ก็ ดูดูต้องดูช่วยกันวิเคราะห์กันอเ น, นว่าัตตหาการิกยาวชีวิตก็คือรับประเคียนแล้วฉันได้ตลอดไปอย่างเกลือพริกขิงคากระเทียมถ้ารับประเคีฑนแล้วฉันได้ตลอดไปไม่ต้องรับประเคณยนอีกเกลืออย่างรับประเคียนแล้วฉันได้แล้ถ้ามีใครจับต้องค่อประเคียนใหม่แต่ว่ากระเทียมเท่เลย กระเทียมเนี่ยเราจะไปฉันตอนเช้าไม่ได้ถ้าเป็นกระเทียมเป็นหัวเป็นกีบเนี่ยเราจะมาแกะฉันกับอาหารตอนเช้าไม่ได้เป็นอาบัติปาจิตตีอะไนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยสมัยหนึ่งพระฉันกระเทียมพอฉันกระเทียมเสร็จแล้วท่านก็ไม่กล้าเข้ามานั่งในถ้มกลาง ท่านก็ไปนั่งทีง่นู้นไปนั่งอยู่กกไกลๆเนาะ น, นะนั่งอยู่ทางติดประตูน่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในถ้ำกลางสงในศาลาพระพุทธองค์ก็เห็นพระองค์ก็ถามว่าเอา้าทําไมเธอจึงไปนั่งไกลนักเธอได้ยินไหมเราแตถาคโคดพูดพระองค์นั้นก็บอกว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างพระเจ้าค่ะเอาทําไมเธอจึงไม่เข้ามาไม่มานั่งฟังให้ได้ยินเพราะหม่อม เพราะข้าพระ อ, องค์ฉันกระเทียมกลัวหมูจะเหม็นกระเทียมก็เลยไปนั่งอยู่ข้างนอกพอพุทธองค์ได้ยินเพียงแค่นั้นโอ้โหเห็นแก่ปากแก่ทอ้องจนไม่เห็นแก่มรรผลในผานจนไม่เห็นแก่การชำระกิเลสตัดกิเลสเพื่อจะฟังเข้าใจในอัตในธรรมแล้วเพื่อชำระกิเลสให้พ้นทุกข์ในบัตตาสงสาร อันนี้ยังจิตนอนเวียนไหวตายเกิดในพระตาสงสารเห็นแก่ปากแกะท้องเห็นแก่กระเทียมเ พ, ยเพียงแค่นั้นเหรอโอ้ทําไมพวกท่านทั้งหลายโมข้าปรุษ ท, ทําไมจึงโง่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันมีเหตุอย่างนั้นพระพทุทธเจ้าบัญญัติวินัยภิกษุใดก็าตามฉันกระเทียมอ่ต้องบาจิตติอ่าบัญญัติแหละบัญญัติวินัยเพราะมันตัดมัดตัดตัดมัด ตัดมรกตัดผลไปฉันกระเทียมจนตัวเองไม่ได้ฟังเทศว่ากลัวหมู่พวกเพื่อนจะเหม็นกระเทียมเพราะพระทัเจ้าบัญญัติเพราะมันมีเหตุแล้วพิกชุฉันกระเทียมต้องปาจิติตะนี้พอต่อมาพระสารีบุตรเถระที่ท่าน ปวดท้องทเนี่ลมตีขึ้นในท้องท่านต้องได้ฉันกระเทียมจึงจะหายเป็นเพภสัตชเป็นยาแต่ที่ก่อนได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นอุปถาคภาษารีบุตรก็ไมากราบทูลพระพุทธองค์บอกว่าท่านภาษารีบุตรถาาว่าท่านไม่ได้ฉันกระเทียมลมในท้องของท่านก็ไม่สามารถที่จะระงับได้พระเจ้าขา่าพระองค์จะพอจะได้อนุญาตให้ฉันกระเทียมได้ไหมหนอพระเจ้าขา่า เออพระพุทธองค์บอกเอาตั้งตีบัตรนี้เป็นตัวไปฉันกระเทียมได้แต่ตอนบ่ายถ้าองค์ไหนจะฉันกระเทียมก็ฉันเพื่อเป็นยาเป็นเพสัชถ้าฉันตอนเช้าปรับอวบัตรปลาจิตตีตอนเช้าไม่ได้ฉันกระเทียมเพราะนั้นพวกเราถ้าหางว่าเป็นกระเทียมที่เขาคลุกกับพริกกับเกลือกับอะไรแล้วไม่ไม่เป็นไม่เป็นอวบัตรเพราะมันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแล้ว ถ้าว่ามันเป็นหัวเป็นกี่เป็นลำต้นมาเนี่ยเราจะไปฉันกระเทียมไม่ได้เป็นอวบปาจิตติตามพระวินยัยนี่แหละคือต้นบัญญัติมาอย่างนั้นนี่แหละวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุซะก่อนจึงมีผลออกมาพระท่านขอให้พวกเราเวลาครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนสิ่งไหนก็ตามให้พวกเราฟังเอาไว้เพราะพวกเราไม่เคย ไม่เคยเข้ามาในมาสู่ศาสนานี่ไม่เคยเข้ามาในกฎระเบียบพระวินัยของพระสงฆ์พวกเราต้องฟังไว้ก่อนจากนั้นนค่อยค้นคว้าศึกษาเป็นมาอย่างไรมีที่ไปที่มาทั้งหมดที่ผมพูดน ใ, ให้พวกท่านทั้งหลายไปศึกษาดูนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่เกี่ยวกับวินัยของสงฆ์แตนี้มาพูดเกี่ยวกับ เรื่องสมาธิทางด้านจิตใจที่ไที่พูดเข้ามาทั้งหมดที่ผ่านๆมาเรื่องการเป็นอยู่คือเป็นเรื่องของสินที่กฎระเบียบการเป็นอยู่สินการเป็นอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในสองอยยี่สิบ็ดเลือกสินอภิสมาจารย์ที่พระพุทธเจ้าบัญญตัตไว้ต่างกลัมต่างวาระอันนั้นเรียกว่าสิน คือให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกอย่าไปกล้ำไปกลายกันอย่าไปล้าเส้นกันต่างคนก็ต่างอยู่ในกรอบของสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยแหละถ้าพวกเรามีต่างคนก็ต่างมีสินอยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไว้แล้วถึงจะอยู่ด้วยกันมากมายถึงขนาดไหนก็ยุรู้จักช่องทางของใครของเรา อยู่ด้วยกฎอยู่ด้วยด้วยระเบียบอยู่ด้วยรับพระธรรมวินยัยร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในหลักของศีลแต่นี้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้อยู่เพียงแต่ศีลอย่างเดียวถึงท่านให้เข้ามาถึงหลักธรรมด้วยถึงเนี่ยคือกฎระเบียบคือธรรมธรรมนี่ก็คือรักษาใจสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรม สัจธรรมให้ข้าพเเป็นเครื่องที่สอนใจพีนี่เป็นเครื่องที่สอนใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกรปรวาจากัมมันตอาชีวไวมสติส ม, มาธิอันนี้สอนแนวความคิดถองใจใจคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะถูกต้อง ตามทำคาสอนของพระพุทธเจ้าคิดยังไงปฏิบัติยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อันนี้คือเป็นการแนะนาทางจิตทางใจเพราะว่าในหลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติทำวินัยขึ้นมาเนี่ยท่านบัญญัติไว้สองอย่างคือกายกับใจกายก็คือการเป็นอยู่ของร่างกาย ใจก็คือการเป็นอยู่แนวความคิดแนวความคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงมันผิดนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องใจมากกว่าอันนั้นคือกฎระเบียบนั้นต้องเป็นอยู่ต้องเป็นอยู่ด้วยกันต้องศึกษาอมันมันหยาบกว่าเราเห็นเห็นอยู่สิกขบทนี้เป็นมาอย่างไรทำไมจึงบัญญยักอย่างนี้ แต่ส่วนานามธรรมคือจิตใจเนี่ยที่จะเอาสมาธิเข้ามาควบคุมเลยเรามองกันไม่เห็นเลมองกันไม่เห็นไม่รู้ว่าใครคิดเรื่องอะไรคิดผิดคิดถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิพระพุะองค์วิเพียงต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินถะถ้าคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะคิดอย่างนี้เป็นหนทางที่จะ ชำระจิตใจของท่านทั้งหลายให้หลุดให้หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะต้องคิดอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องปรับปรุงอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างนี้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านวางทำคำสอนไว้แต่พระพุทธองค์ในทำคำสอนถ้าเราได้ศึกษาแล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรม รูปธรรมคือมิไหนคือสินคือกฎระเบียบคือการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหนก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบแต่ในธรรมจริงๆนั้นท่านถึงจะอยู่ในกฎระเบียบยังไงกฎระเบียบนัน ย, ยังยังหยาบ ก, กว่ายังไม่ละเอียด ถ้าอยู่ในหลักธรรมรักษาใจของตนเองเท่านั้นละ่ะเพียงแต่รักษาใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรักษาก็ได้เรื่องวินัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจถ้าใจของเรามีธรรมสิอย่างเดียวมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นจิตใจมั่นคงมองดูใจของตนเองมองดูความขาดตกบกพร่องของตัเองอันนั้นผิดอันนี้นถูกตรมองที่ใจของเรา ใจของเรารู้ว่าใจกะเพื่มไปทางไหนไปทางกิเลสราคะโทสะโหะไปทางหาอยู่หากินไปทางใส่แสวงหาลาภหายศจะเอารัดเอาเปรียบเขาใช่ไหมจะฆ่าฟันรันแทงเขาอย่างนั้นใช่ไหมจิดคิดออกนอกลูนอกทางอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเรามีสมาธิทำดูใจของตนเองศีลและวินยัยยังเป็นของหยา ไม่จําเป็นเลยถ้ารกสเรารักษาใจเสอย่างเดียวเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือทกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดให้รักษาใจคือให้มีทำอยู่ในใจให้มีสมาธิทำอยู่ในใจนี่แหละทีนี้นมาพูดที่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงทีนี้จึงจะเอารักษาจิตรักษาใจตัวนี้ได้เราจะยึดยังไง ไม่ใช่ว ป, ปรับมาจะรักษาควบคุมใจได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะใจเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนมากเราเราจะทำขั้นตอนอย่างไรมันก็ต้องมีศีลซะก่อนเป็นอันดับแรกศรัทธามาเบื้องตน้นศรัทธาขันติวิริยะสัจจ ะ, เ, ะเข้ามาซะก่อนจากนั้นก็รักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล เมื่อเรารักษากายวาจาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาภาวนามามาดูใจของตนเองเอามาดูความสงบของจิตใจในเมื่อเรารักษากายวาจาของเราดีแล้วเวลานั่งสมาธิใจของเราก็ไม่พิจตกไม่กังวลไม่กระสับกระส่ายไม่ออกนอกลูก่นอกทางเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ผิด ต่อกฎต่อระเบียบการพูดของเราก็ไม่ได้ผิดต่อกฎต่อระเบียบในวันนี้เราไม่ได้พูดด่าว่าใครไม่ได้ผิดในต่อพระวินยัยแม้แต่สิกขาบทหนึ่งเราทบทวนดูแล้ตวตรวจตราดูแล้วเราอยู่ในกรอบของหลักพระธาวินยัยในเมื่อเราอยู่ในกรอบหลักพระธาวินัยอย่างนั้นเวลาเรามานั่งภาวนาใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้พิตกกังวลกับศิน แล้ววินยัยแล้วกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันไม่ได้ทบบะเลาะวอกแวงกับใครๆไม่ได้ลังแกเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้ถูกไม่ได้ทําผิดต่อพระวินยัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในเมื่อเราทําถูกศีลของเราบริสุทธิ์บริรบรูรณ์แล้วเราจะมานั่งภาวนาใจของเราก็เข้าสู่ความสงบมันเกี่ยวเนื่องกันล่ะนะจีนี้เพราะนั้นศีลและวินยัยหรือศีลสมาธิปัญญา มันเกี่ยวเนื่องกันเราจะไปเอาแต่สมาธิอย่างเดียวโดยที่วังไม่คิดถึงศีลเลยไม่ได้เพราะว่าลถ้าเรามีารักษาศีลมันวิตกกังวลอยู่เราจะมานั่งภาวนามันเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้แต่จะว่าเป็นไปไม่ได้ทีเดียวก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันแต่เป็นไปได้แต่มันยาก อ, าอย่างพระ ฉันตติมหาอมาตย์ท่านเป็นอมาตยของพระเจ้าปเสนไปสู้รบในชนบทคือพระเจ้าปเสนที่โกศลแต่ถ้าส่งอมาตยไปปราบไปปราบโจนผู้ร้ายไปปราบที่คนมาลุกล้าลุกลานในเขตของเราเนี่ยให้อมาตยใหญ่เขาไปปราบพอไปปราบราบคาบมาแล้ว เสร็จแล้วพระเจ้าพันเสนก็จะต้องให้รางวัลให้รางวัลคล้ายๆว่าให้เฉลยหรือให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดวันคล้ายๆว่าตั้งขึ้นมาให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดวันให้มีความสุขอย่างพระราชาเจ็ดวันมอบให้แต่พระเจ้าเป็นดินท่านก็อยู่อีกมุมหนึ่งแต่นี่ก็มอบให้การทุกอย่าง แต่นี้นสันติมหาหมาัดท่านก่อนหนักไปทางไปสู้รบตบศึกในชนบทมาแล้วพอพระเจ้าปเสณปุลบำเหน็ตให้พอมาท่า น, นท่านก็เป็นพระราชาเจ็ดวันอันไหนที่จะเมตปีความสุขที่กิเลสต้องการงั้นสรุปแล้วกิเลสของเราต้องการทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะบุทุกอย่าง ทั้งสุราทั้งนารีทั้งพาชีกีฬาบัด ท, ทุกอย่างเหมือนกันแต่จะเอาอะไรยังไงพระจันทติมหามาทจะเอาอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่เพราะที่เป็นพระเจ้าเป็นดินเเพราะประญาประเสริฐปูนบําเห็จให้ให้ให้ให้ครองราชเจ็ดวันจันทติมหามาทนั่นแหละก็ไม่หนีจาก วงเวียนที่ว่าสุราน า, นารีนะผลที่สโดกับพญาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเยสุราอันไหนดีลงมากินจนตาเปื้แล้วนะทานตั้งานาเร่นี่กับ เ, เลือกสรรมานะรเนี่ยผลที่โชกเนี่ยพอถึงวันสุดท้ายเี่ยสัจติมหาอมรท่านก็เคยบ่งเพลิมา ตั้งความปรารถนามาบำเพ็ญมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนบารมีของท่านแก่กล้ามากจุดจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แต่ท่านมาหลงไหลมัวเมาลุ่มหลงกับกิเลสฝ่ายต่ำเนวันนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงสวัสดีที่เดินทางเดินสวนทาง ไปเห็นสถิติมหาหมาดอยู่ที่คอช้างอกับพวกสนมนาลีของท่านอัคคเมเหสีของท่านอัคคเมเหสีเจ็ดวันของท่านฉันสถิติมหาหมาดเห็นพระพุทธเจา้าเดินบิณฑบาตสวนทางกับพระนน์เขาเห็นอยู่เขาอยู่บนคอช้างจะตกแหลมไม่ตกแล้วงั้นเขาก็ยังสแสดงความเคารพแสดงความเคารพเอาหัวผงกว่าง ง, ะะงันะ เ อ, อแสดงคารวะเคารบคารวะพระพุทธเจ้ากับพระอานุ์จากนั้นเขาก็นั่งผ่านไปพระพุทธองค์ก็บอกว่าอานุ์เห็นไหมสันติมห า, ามาตอยู่บนคอยช้างเห็นพระเจ้าค่าเนี่ยนะปัญญา น, น, นะสันติมห า, ามาตยเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าที่ท่านเจตจํานงท่านจะให้คนได้ยินเนี่ยยิ่งกว่าเสียงวิทยุว่างั้นเหร เพราะท่านมีอภินิหารท่านมีฤทธ์มีมีอำนาจมีฤทธ์มีฤทธิ์ดเดชอ้ใใคล้ายๆว่าถ้าว่าใครจ ะ, จะให้ได้ยินทั่วทุกคน อ, อยู่ในโลกธาตุเนี่ยพระพุทธองค์พูดกับพระอน์เพียงแค่นั้นคนในโลกทั้งหลายจะได้ยินทั้งหมดเพราะท่านสั่งสมบารมีเป็นพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธองค์บอกว่าอานุ์ สันติมหาหมัดเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันนะในวันนี้พระอนุลก็ไปก่อนที่จะพูดยขึ้นมาพระพุทธองค์แย้มพระโอษนะพอเห็นสันติมหาหมัดบนคอช้างเนี่ยจะตกแหลมไม่ตกแหลมเหมือนกนคนมาเล่าจากนั้นประงกหัวจะได้กับพระุทองค์กับพยากรณ์แย้มพระโอษพระอนุลก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์แย้มพระโอษด้วยเรื่องอะไรหนอะพระเจ้าค่ะ เออวันนี้ออช่วงบ่ายสันทติมหาอามาตเขาจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันในวันนี้พูดเพียงแค่นั้นนะได้ยินทั่วกรุง ส, ออสาวัตถีเลยเหมือนนใครๆด้อยู่ที่ไหนได้ยินหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นออคนแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้สันธติมหาอามาตเมาถึงขนาดนี้นจะได้สำเร็จออถ้าคอยดูกันแล้วกันนะ นี่แหละเขาเนี่แหละสมณะสมณะโกหกเองจะโกหกสมณะโคดมจะโกหกคนทั้งบ้านทั้งเมืองกินเหล้าเมาถึงขนาดที่จะได้สําเร็จเป็นพระหรหันโอจะแสดงว่าพระหรหันของสมณะโครมจะขนาดไหนนี่แหละคนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นผู้ที่จะจับผิดก็มีบางคนโ อ, โอ้พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองก็แล้วกั น, นพระพุทธองค์มองเห็นได้เอเพราะนั้นพวกเราต้องไปดูอิทธิฤทธิพระพุทธเจ้าวันนี้ ท่านคงจะอโปรดสันติมหาอมามัดจากนั้นก็คนก็บแบ่งเป็นสองพวกสามพวกกอนนะคนบางคนก็เชื่อบางไม่เชื่อบางไม่น่าจะเป็นไปได้อแต่ไปดูแต่คนหนึงเชื่อรู้สิเพราะสมณโคตรมไม่เคยโกหกเลยอันนี้พวกนี้เป็นพวกนี้อีกพวกนึงโอ้ยไม่เชื่อจะเลยสันติมหาอมาัดเมาขนาดนี้จะได้สําเร็จ เ, เป็นพระอรหันต์เป็นไปได้ไม่ได้เด็ดขาดเนีแต่พวกนึง เกิเชื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดหนึ่งไม่มีสองพระพุทธองค์ตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นที่ผ่านๆมาพวกเราเห็นไหมอย่างเนี้ยคนทั้งหลายเป็นหลายกลุ่มเหมือนกันที่เข้าไปดูในวันนั้นพอจากนั้นสันนติมหาหมากระเปอาบน้ําที่ถา่าแม่น้าําอเจรวดีพอลงไปอาบน้ําสนุกสนานผนยาที่ปยาปเสนประทานให้ เนี่ยเขากระทั้งร้องรำทําเพลงสนุกสนานเอีก็คงจะไม่ได้ทานอาหารบ้างคงจะได้ไม่ได้พักผ่อนบ้างเนี่ยผลที่สุดนางนี่ก็เลยเอี่ยกลังร้องรำทําเพลงอยู่ในหาดทรายก็เป็นลมแล้วจับลมล้มพับตายเร็วง่ายใจขาดในหาดทรายคนทั้งหลายไปเขย่าแล้วเขย่าอีกผลที่สุดตายพอตายเธอได้สัน ต, ติมหามาตเนยที่เมาเมาอยู่นั่นแหะ สางเมาเลยวนั่นเดี๋ยวฤทุลาเนี่ยหายขาดเลยท่นนี่เพราะคิดถึงเนี่ยคิดถึงอาคมเฮสีในของตัวเองเนี่ยเพราะถูกใจทุกอย่างวะนั่นเนี่ยเนอ่ยเพรมีมาตายใชแล้วก็ทํำยังไงเสียอกเสียใจอย่างมากเลยเยฤทุลาหายหมดจากนั้นก็เลยวปะเห็นแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะที่จะเป็นผู้แก้ทุกข์ในจุดนี้ของเราได้ นอกคนอื่นไม่มีทางไม่มีใครที่จะแก้ทุกข์เราได้ขอให้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้ า, าด้วยเถนะินเอเพราะมันเพราะมีความโศกทุกโศกมากๆาล่ะคิดถึงพระพุทธเจ้านี่แหละคนเราเมื่อสนุกสนานเพลิดเพลินเดฮาไม่ระลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงผู้มีอุปการะคุณนะถ้าเมื่อตกทุกข์ได้ยากเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะ่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติผู้ใหญ่คิดที่ ผู้ที่จะช่วยเหลือเราได้นี่สัญติมหามาดกาักษณะนั้นนี่สมัยสนุกฉ น, นันเพื่อเพลินเฮฮาไม่เลยลึกถึงใครเห็นพระพุทธเจ้าก็เพียงตะพงกหัวทาไมแสดงความเคารพแล้กผ่านไปนี่แต่พอมาทุกข์อย่างนั้นคือมาโอ้นอกแก่พระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะแก้นี่บรรทุกบรรเทาเราได้ขอให้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเทอานี่บริษัท บ, บ, บริวารก่อน พาไปแต่ไหนพระพุทธองค์ก็กราบพระพุทธเจ้าไปง่ายสันทติโอ้ข่าพระองค์ทุกข์ใจอย่างมากพระเจ้าข่าเพราะเอกราเนี่ยเพราะว่าเภรรยาของข้าพเจ้าอ่เป็นลมแล้วก็ล้มพับแล้วก็ตายข้าพเจ้าก็เลยเป็นมีทุกข์ใจที่สุดในชีวิตพระพุทธองค์ก็บอกว่าอสันทติเธอเคยพบเคยผ่านมาแล้วอย่างนี้ ในอดีตชาติชาตินี้ก็เธอเคยพบอีกถ้าเอาเธอยังมีชีวิตต่อไปภายภาคหน้าเธอก็จะต้องพบอีกเรื่องอย่างนี้มันเรื่องทุกข์ในโลกมันหนีไม่พ้นนี่แหละมนุษย์มนาเราเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นมันเคยพบเคยเจอมาไม่ครั้งใดตองครั้งหนึ่ง เรื่องพัดภาคจากกันมีทางเดียวเท่านั้นไม่มาเกิดถ้าไม่มาเกิดแล้วเธอจะไม่พบไม่เจอถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องพบต้องเจออย่างนี้แต่นี้จันทศิมาหาอมั์ก็ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าประเทศแนวอริยสัจให้ฟังทุกสมุทยนิโรธมักอย่างไรถึงจะถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจ สันทติมหาอามาัดก็ฟังพอฟังได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต่อพระพักพระพุทธเจ้าเลยในสำเร็จเดียวนั้นเลยในขณะที่ฟังพอสําเร็จเสร็จเรียบร้อยฉันนติเธอจะทำยังไงเธอจะบวชไหมหรือถ้าเธอจะทําเนี่ยโอ้ชีวิตของข้าพระองค์ก็ลมลุกคุกครานเหลือเกินถ้าข้าพระองค์บวชก็คงจะไม่เป็นผลดี ข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะเป็นภาระพันธะเสียแล้วข้าพระองค์ขอนิพานขออนิพ า, านเถอะพระเจ้าค่ะเออถ้าอย่างนั้นก็ให้เธอแสดงแก้ความกังขาให้แก่คนทั้งหลายด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนมาฟังมายืนล้อมรอบดูเหตุการณ์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มแล้วเกินเนี่ยอย่างที่เด็กพูดว่ากลุ่มหนึ่งก็เชื่อกลุ่มหนึ่งก็ไม่เชื่อเด็กจุดตรงคนละข้างกันกลุ่มบางคนเออเชื่อบางไม่เชื่อบาง อาจจะเป็นไปได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอตัดความกังขาให้แก่เขาเหล่านั้นด้วยถ้าเธอจะป ร, ะรินิพานไปเลยทำการแสดงความไม่แสดงความกังขาให้เขาเขาก็จะสงสัยในจิตใจของเขาฉันทติมหาอามัดพระเจ้าขา่าท่านเป็นพระอราหันต์เป็นโยมเลยนะยังเพศยังเป็นโยมอยู่นะแต่ใจของท่านเป็นพระอราหารันต์ นี่แหลเร็จเป็นพระอรหันตัดกิเลสในขณะที่เป็นโยมจากนั้นกัข้าพระองค์ขอแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยอ้าวแสดงให้เขาขายกังวลจากนั้นฉันเถี่ยมมหามาตย์ก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าสามครั้งเอ่พอกราบเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นบนอากาศให้คนได้เห็นเลยบอกพระพุทธเจ้าเป็นปรมัคคูของเราพระพุทธเจ้าเป็นสยามผูรู้แจ้งโลก ข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจา้าข้าพเจ้าได้รู้ทำเห็นรำที่พระพุทธองค์ได้แสดงข้าพเจ้ายอมตัวเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพนับถือยิ่งและก็ลงมามากราบอีกเหาะขึ้นไปอีก 2, 3, 3สองสามสามชั่วลำตานประกาศอีกแล้วก็ลงมากราบอีก แล้วก็เหาะขึ้นไปอีกถึงเจ็ดชั่วลำตานะอันนี้คือประวัติคะในในมาใน พ, พระพไตรปิฎกเนี่ยพอเสร็จแล้วพอถึงครั้งที่สามลงมากราบอีกปันเสร็จแล้วผมหม่อมฉันเ่ยข้าพระองค์ขอลาพระพุทองค์นิพพานพระเจ้าข่าเอ อ, เอไปตามการอันควรของเธอทถะนะฉันตติครับผมพอเสร็จแล้วท่านก็น ออกถอยห่างออกจากพระพุทโธปนมือเฉดห่อขึ้นบนอากาศเลยเหมือนก็บ้องบังไฟหมื่นบังไฟแสนเหมือนกันเหตที่เขาจูดบังไฟอย่างนั้นนะนอ่มันเหมือนไฟเข้าไปกัดกัดกัดกัดขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยนี่สูงสุดจากนั้นก่อนเห็นกระดูกลงมาเป็นกลุ่มลงมากระดูกของท่านก็เป็นกลุ่มลงมาแป่นวัฏาฏาขันของท่านเอง ละเลงละลายไฟไหม้หมดไฟทิพย์ไหม้หมดอันนั้นแหละคืออิทธิฤทธิ์ของสันตติมหามา ท, ท่านเพ่งเตโชเตโชกสีนเผาร่างกายของท่านเลยเตโชวายโวายโายโก็คือให้ลมพัดขึ้นไปแล้วก็เตโชเผาอาัดติดตัวร่างกายของท่านผลให้สืบกระดูกลรมาพระพุทธเจ้าเอาบอกให้พระสงฆ์ เอาผ้าขาวปูรองรับจากนั้นกระดูกของท่านก็โปร่งแป้งโปร่งแป้ ง, ป ง, ปงตกมาใส่ผ้าขาวพอขาวเสร็จแล้วก็เอาไปวางเอาไปสร้างสถูปและเจดีย์ในทางสีแป้งนะอันนี้คือพระหรหันธ์คําว่าพระหรหันธ์คำนี้ถึงจะเป็นโยมถึงจะเป็นพระถึงจะเป็นใครก็ตามคือพระหรหันธ์ผู้หมดจดจากกิเลสไม่ใช่เป็นโยมแล้วเป็นพระหรหันธ์นะจะแตกต่างกับ พระทีมเป็นพระราหันไม่ใช่อันนั้นคือถ้าว่าผู้ใดก็ตามได้เป็นพระรหันแล้วแปลว่าสแตนดาร์ดเสมอกันหมดถึงจะเป็นพระเป็นโยมไม่สําคัญจะเป็นหญิงเป็นชายไม่สําคัญเสมอกันหมดอันนี้คือพระราหันจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็คือพระรหันใจของท่านเป็นพระราหันไม่ใช่ร่างกายเป็นพระรหันร่างกายเนี่ยคือเป็นส่วนเฉยเป็นส่วนเมื่อใจของท่านเป็นพระราหันแล้วร่างกายก็เป็นพระราหัน ศาลาก็ท่านเป็นพระอรหันต์ผ้านุ่งห่มของท่านเป็นผ้านุ่งห่มของพระอรหันต์เนี่ยถ้าหาว่าท่านใจถึ้งทําท่านยังไม่ใช่กิเลสเนี่ยยังมีกิเลสอยู่จะเป็นพระอรหันต์เจ้าของเรานั้นจะเป็นว่าของพระอรหันต์ได้อย่างไรนี่แหละฉันตติมหาอมาตท่านเป็นอมาตแต่ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเอถ้าพอเป็นโยมอ่า จะได้ํำเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่เป็นไปได้ถ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติจริงจังแล้วก็บารมีบารมีบุญบารมีของท่านเก่าแก่ท่านสั่งสมมาพร้อมแล้วมาถึงยุคนี้สมัยนี้เต็มเปี่ยมแล้ว ในเมื่อท่านฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มองดูว่าใครบ้างที่จะเป็นทายาิของท่านที่ท่านจะได้แนะนําสั่งสอนมีไหมท่านมองแล้วไม่มีเฮไม่มีท่านก็นิพพานพระหันในยุคสมัยครั้งพุทธกาลมีมากต่อมากแต่ถ้าว่าท่านมีญาติพี่น้องญาติโกโหติกาของท่านยังมีอยู่ท่านก็ทรงทาตขานไปเพื่อแนะนาสั่งสอนญาติของท่านตระกูลของท่าน ที่เป็นบริษัทบริวารมรตเก่าแก่ท่านก็จะแนะนำสั่งสอนให้เขาเหล่านั้นได้สร้างบุญบมเพ็ญบุญกุศลติดภพติดชาติต่อไปภายภาคหน้าเพราะท่านถึงฝั่งแล้วแต่ถ้าวามองแล้วไม่มีทายาทไม่มีใครท่านองค์เดียวถ้าอยู่ไปเลําลำบากในธาตุขันเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้แนะนาสั่งสอนใครอื่นเพราะหมดภาระแล้วไม่มีใครที่จะรับ เป็นทายาทของเราที่จะแนะนำสังสอนแล้วเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพลันแลก็ทิง้งธาตุขันทันทีนิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญทางด้านจิตใจของพระในครั้งพุทธกาลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องศึกษาต้องฟังอันไหนที่พระพุทธเจ้าเน้นหนัก มาย้อนถึงอย่างเน้นหนักอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าสินสมาธิปัญญาที่ผมได้พูดว่าพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างไรยังไงแตเรื่องของสินต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบถ้าคนมีสินดีแล้วเวลาจะนั่งภาวนาจะปฏิบัติก็ไ ม, ม่ตกกังวลเพราะสินของเราคุ้มครองสินเราไม่ได้ออกนอกลู่นอกทาง จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้สงบได้ง่ายพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงนี่แหละคือสิ่งดีแล้วสมาธิก็ จ, จ, จิตใจก็รวมได้ง่ายในเมื่อจิตใ จ, จรวมสงบไม่พิตกไม่กงังวลเพราะเราจับได้แล้วจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเราไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ซัดแล้ว รู้จักเขตผิดถูกเราก็รู้หมดเพราะจิตใจของเราอยู่กับตัวจิตใจของเรานิ่งแต่เนี้ยจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาใข้ควรทบทวนทางด้านปัญญาปัญญาไหนที่แบบพระพุทธเจ้าว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาไหนที่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิอ่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดคิดฆ่าคนอื่นคิดขโมยคนอื่นคิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่น คิดลังแกคนอื่นแต่ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันในใช้ปัญญาใช้ความคิดเอาเลเหลี่ยมจุดไหนที่เราจะเอาชนะคนอื่นได้คดโกงคนอื่นได้เอารับเอาเปรียบคนอื่นได้อันนี้บอกว่าเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิแต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐินั้นคือปัญญาเห็นชอ็อคจะทํำยังไงจึงจะชําระใจของเรา โลภโกรดหลงในใจในใจิตในใจของเราท่านค้นคว้าศึกษาหาต้นต่อใจดวงนี้ที่กิเลสมันเกิดขึ้นมาขึ้นมาได้อย่างไรอย่างกา ม, ม ก, กิเลสอย่างนีน้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันขึ้นมาได้อย่างไรเพราะกา ม, ม ก, กิเลสตะกอนเราอยู่อีกแบบหนึ่งก็ไม่เห็นมันรุนแรงแต่บัดนี้ทำไมมันรุนแรงขึ้นมาได้อย่างไร พระพุทธองค์ท่านได้ไปศึกษาคน้นควาอยู่ที่โคลนต้นโพท่านก็คงจะเห็นลทธิ์เห็นเดชเหมือนกันที่ว่านางตันหาราคะอรดีเนี่ยเขามาบรบกวนพระองค์จนพระองค์ีเกือบเสียศูนย์มาพูดง่ายๆในครั้งนั้นแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอมาจะเอาจริงเอาจังเท่านั้นแหะกิเลสตัวนี้มันเข้ามาบรบกวนเล่นงานพระพุทธองค์ จนเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในเมื่อพระพุธองค์ได้ตัดจรูธำมได้ชนะพญามารพร้อมกับเสนาแมานพร้อมกับลูกสาวพญามารได้ตัดจรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตพระพระุทธองค์ก็ย้อนกลับดูว่ากา ม, มากิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นมาได้มาได้อย่างไรพระพระุทธองค์บอกว่าดูก่อนกามเอ่ย บัดนี้เรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดมาเพราะความดำริคำนึงถึงนั่นเองคืออันนั้นคือต้นตอของกรรมบัดนี้เรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเราจะไม่ดำริทำคำนึงถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดคือมาได้อย่างไรใครเข้าเยอยเยยกล่าเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ เพราะความดําริคำหนึงถึงอะจุดนี้แหละอจุดนี้ให้เราพวกเราสังเกตถ้าเราไม่ดําริไม่ดําริคำหนึงถึงมันจะไม่เกิดถ้าพอดําริคํานึงถึงขึ้นมาแล้วมันใจไต่เต้าเพราะไต่เต้าขึ้นมาเราก็เดินตามหลังมันไปเออมันก็ออกนอกลูก่นอกทางออกหน้าออกตาใจของเราแหมมันอ่อนสมาธิอยู่แล้วอ่อนปัญญาอยู่แล้ว มันก็วิ่งตามที่กิเลสมันพาไปท่านนี่กิเลสพาไปที่ไหนมันก็วิ่งตามซอกตามซอยตามลานนู้นเอาของอาหารอะไรมันก็วิ่งไปตามแล้วท่้นนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันเกิดเพราะความดำริ่งคำหนึงถึงพอมันคำดิ่งดำหนึงถึงขึ้นมามันก็แสดงเหตุผลเพราะเสด็ผลใจของเราไม่มีเหตุผลท่านนี่ นใจของเงามันตกไปในกิเลสมันชอบอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็วิ่งตามวิ่งตามกิเลสราคะจุกนั้นจนพอแรงสรุปแล้วนจนลิ้นห้อยอย่างนั้นนะมันวิ่งตามมันมันวิ่งตามกิเลสจนลิ้นห้อยอยังค่อยจำนึกได้โทตายเนี่ยทําไมมันไปถึงขนาดนั้นฮะ แต่บางคนพวกเราบางองค์ยังระลึกไม่ได้อีกต่างหากยังตามตะพุตตะเพืออีกต่างหากยังไม่ได้ค้นหายัยงเหงาหาต่อของมันแต่พวกเราถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีการฝ่ายเพื่อการศึกษามีการปฏิบัติพวกเราก็จะใช้ทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยับยั้งทางด้านจิตใจเราก็เนึกอตัวแล้ว โอพพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดมาเพราะความดำหริคำหนึ่งถึงนั่นเองบัดนี้เราจะไม่ดำหริคำหนึ่งถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นเบรกเป็นแนวความคิดแต่ถ้าเราพวกเรา มีแต่ใช้ความคิดของเราบิ่เตลิดเปิดเปิงไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องเบรกเป็นเครื่องยับยัง้งพวกเรากว่าจะรู้ได้เสียศูนย์ไปพอแลนเพอเผลอตายจากศาสนาไปได้ง่ายๆเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามา เข้ามาบวชเพื่อการศึกษาให้พวกเราใช้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทบทวนดูจริงไหมและทีนี้พวกเราเมื่อทบทวนดูแล้วที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นจริงไหมและถ้ามันวิ่งไปอย่างนั้นมันวิ่งไปตามลูกกระสุนอย่างนั้นมันได้อะไรพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหม ไม่ว่าศัลยสาลาสิงไม่ว่ามนุษย์ระดับไหนมันวิ่งไปจุดนั้นแล้วแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงที่ผลออกมาสรุปแล้วสรุปผลจุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราใช้จิตใช้ปัญญาของเราพิจารณาทบทวนดูที่เขาผ่านไปก่อนหน้าเราเขาประสบ พบเห็นมาแล้วเจอมาแล้วพบเห็นมาแล้วแล้วเป็นยังไงเราจะเดินไปอย่างนั้นตามเขาเราจะต้องเป็นอย่างเขาอย่างนั้นใช่ไหมไม่แพ้กันพูดไม่แพ้กันเหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันอย่างนั้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องโแสวงของหาความสุขในสิ่งเหล่านั้นพอกพูนเหล่านั้น มันเป็นที่พึงปรารถนาของเราด้เรอะเป็นที่ต้องการเราด้เนอะเป็นที่พอใจของเราด้เรอะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนยอกย้อนหน้าหลังคิดอ่านให้รอบครอบแล้วผมว่ากิเลสที่ตัวมันที่จะเล่นงานเราคือเรื่องการมกกิเลสผมว่ามัน มันเล่นงานเรายากเบ่งเสียแต่เราไม่ได้สนใจเลยตามเลยเมีแต่วิ่งตามมันพอมันดำริคำนึงถึงแล้วก็วิ่งตามหลังมันไปเรื่อยๆจนผลชนที่สุดจนลิ้นห้อยอบางคนก็ลิ้นห้อยแ้วยังไม่แล้วอีกอยังยังหลงมันอีกอยอู่แต่บางคนพอเดินไปแล้วก็ยังค่อยสำนึกได้อันนี้ก็ยังยังมีบุญวาดชนาบารมี เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกวงที่มาปฏิบัติธรรมให้ใช้สติใช้ปัญญา ใ, ใช้แนวความคิดอันดับแรกพวกเราต้องเรื่องสินศินซะก่อนพอสินแล้วก็พยายามทำสมาธินี่ที่อย่างผมสอนสมาธิทําจิตใจยังไงจึงจะสงบจิตใจจะทํำยังไงจึงจะเป็นหนึ่งบริกรรมอะไรบริกรรมพุทโธธรรมโอสังโฆหรืออนาปานสติ เราจะกำหนดยังไงใจของเราจึงจะรวมเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นตัวเองเราจะมองเห็นสิ่งรอบด้านเราจะมองเห็นการเป็นอยู่ของเราสิ่งควรไม่ควรผิดถูกเราจะรู้ได้จากนั้นเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นที่พวกเราได้พบประสบพบเห็นแล้วจะทำยังไงจะแก้ไขอย่างไ ร, จ ะ, ยยงไรจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรเนี่ยละถ้าเรามีบุญวัดสนาบา ร, รมีอย่างฉันตติมหาอมาัดท่านท่านบําเพ็ญมาแล้วจะถ้าท่านจะบวชเป็นพระท่านก็บวชได้เป็นพระได้แต่ท่านมองดูแล้วา ถึงท่านจะบวชเป็นพระท่านก็ไม่มีทายาทที่จะแนะนําสั่งสอนท่านก็ไป น, นิพพานจ้ะท่านก็ทิ้งธาตุขันเลยจบเข้าสู่นิพพานองไหนที่ท่านยังมีภาระที่จะต้องดูแลโปดลูกหลานของท่านในอดีตชาติของท่านอยู่ท่านก็แนะนําสั่งสอนเข้าไปเป็นอุปนิสัยด้วยความเมตตา ปราณีของท่านที่ท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วท่านได้ถึกได้สมบัติเป็นมหาเศรษฐีแล้วแลราควรจะแจกแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลานของท่านลูกหลานของท่านบางคนก็อย่างที่ว่าเหมือนกันพอได้ฟังแล้วอยปลาหมาท่านอีกเพอเปเป็นบาปกรรมอีกต่างหากแต่บางคนคนไดพฤทธปฏิบัติตามเชื่อแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แนะนําชังสอน เป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติก็มากมันก็นเป็นทั้งสองอย่างเหมือนกันอย่างที่เนี่ยคนที่ไม่เชื่อสัญติมหามาจะได้สําเร็จไอ้พวกนั้นก็ไม่เชื่อแต่คนหนึ่งเออเชื่ออย่างร้อยเปเซ็นต์นี่แหละไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้พวกเราจะเอาความเชื่อและไม่เชื่อของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานมันเป็นไปไม่ได้ไอ้พูดอย่างนั้นได้ข้อสําคัญเราเท่านั้นะจะปลูก ฟังอุปนิสัยของเราอย่างไรเราจะคิดยังไงจึงจะมีอุปนิสัยเราคิดอย่างไรเราจะไปคิดว่าเชื่อในครูบาอาจารย์เราต้องเชื่อในการประพฤติปฏิบัติของเราจะทำยังไงเราจรึงจะเชื่อในการปฏิบัติของเรานี่แหละนั่งสมาธิเอาดูสิวันหนึ่งๆ น, นะนั่งจนมันเงื้อแตกเงื้อไหลไปไงไป สองสามสี่ห้าชั่วโมงไปยังไงไปนั่งดูสิจะจะไปส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าผมวาดผมวาถ้าพวกเราเอาจริงจังอย่างนั้นผมว่าอีกไม่คราวใดก็ครั้งหนึ่งใจของท่านจะหาทางออกจะรู้จริงเห็นจริงในทมคำสอนแล้วจะจะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองเพราะทมคำสอนของพระพุทธเจ้า ต้องพู้ปฏิบัติจริงจังเท่านั้นนะจริงจะรู้จริงเห็นจริงถ้าประพฤติปฏิบัติรอเลาะเลยแหละๆๆก็อย่างว่านั่นนะมองกันรอนลาะเลยแะตลอดไปนะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะในการบวชในครั้งนี้ผมอยากจะเน้นหนักให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มุ่ง ม, มั่นให้ตั้งอกตั้งใจอ่าอย่าได้เป็นอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นเข้ามาบวชแล้วก็อท้อแท้อ่อนแอ ไม่จริงจังไม่จริงใจมาเห็นการดูในการเป็นอยู่ว่าท้อแท้ไม่สู้เห็นทางโลกว่าเป็นความสุขเหมือนกับสวรรค์บิมานการเป็นอยู่ของเราเหมือนกระตกนรกปกไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นใจของเราจะทอท้อแท้อ่อนเลยเพราะนั้นเราต้องปลุกใจของเราให้สู้สู้ยังไงครับ เอาเถอะนะเราเป็นพระวัดเราก็เคยอยู่มาแล้วกี่ปีแต่บันนี้เราก็รู้แก่ใจว่าเราจะอยู่ยังไงกี่เดือนอแล้วต้องปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกมาคนทั้งหลายได้รับได้สําเร็จมากสําเร็จผลมามากต่อมากไม่เสียบไม่เสื่อมศูนย์ตั้งสองพันกว่าปี ทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาทําไมเราจึงท้อแท้อ่อนแอจึงเราจึงไม่สู้เยแสดงว่าเราในแย่มากแล้วอไม่น่าจะเป็นมนุษย์อีกต่างหากในการเป็นอยู่ของเราเนี่แหละอยากจะให้พวกเราอประนามความอ่อนแอของเราให้ปลุกจิตปลุกใจของเราให้สู้เราจะอยู่กี่เดือนอกี่เดือนกี่ปีเราก็รู้แก่ใจยอยู่แล้วเอมัน เราจะสู้เพียงแค่นี้ไ่ได้หรอขอให้มูมูพวกเพื่อนน ะ, นะสรุปแล้วก็คือผมส่งเสริมปกให้พวกเราทั้งหลายมีกำลังใจใสู้กับกุปสัต น, นาณปา ก, การเกิดมาในโลกนี้มนันต้องมีน ะ, นะไม่ว่าการอยู่ณสถานที่ใดเมื่อเราเรียนหนังสือเราก็ทุกใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันก่อนที่เราจะเป็น เรียนรู้เรื่องต่างๆได้แต่บางคนก็เรียนรู้ในง่ายๆก็มีแต่บางคนก็หูเกือบจะออมไม่รอดก็มีในการประพุทิปฏิบัติของทมของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ผู้ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลโดยเร็วท่านมีบุญวาชนะบา ร, รมอาีอย่างสันติมหาอมาตย์อย่างที่ว่าท่านก็ได้ง่ายแต่บางท่านบางคนก็ต้องอยุ่งยากพอสมควรแต่ถึงยังไง ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ต้องประพฤติปฏิบัติเราจะไปให้คนอื่นเขาทำแทนไม่ได้เหมือนกับเราทานอาหารเราจะให้คนอื่นกินแทนเราไม่ได้เหมือนออกกำลังกายเราจะให้คนอื่นออกกำลังกายแทนเราไม่ได้เมื่อเรียนทังสือจะให้คนอื่นเรียนทังสือแทนเราไม่ได้สิ่งที่แทนเราได้ก็มีแต่สิ่งที่แทนเราไม่ได้มันก็มีอยู่อันนี้ก็เหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรม แที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมเป็นเริยบุคคลนั้นเราจะให้คนอื่นทำแทนเขาก็ได้ของเขาถ้าเราทำเราจรึงได้มักได้ผลเพราะนั้นใครจะทำแทนเราไม่ได้เรื่องปฏิบัติเรื่องจะรู้แจ้งเห็นจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการพูดการแนแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควร ขอจิตในการพูดเพียงเท่านี้อตอนนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ